ทีเดียวนะแต่ว่าก็เป็นหน้าที่หนึ่งของสติคือตามดูหรือว่าเป็นที่หลวงพ่อําเคล้นใ้ว่าเนี่ยให้เป็นผู้เห็นผู้เห็นในที่นี้คืองานของสติซึ่งก็ผู้ระลึกรู้ได้เนี่ยก็สติเหมือนกันสตินี่มันทำหน้าที่หลายอย่างมีบางท่านก็อธิบายให้เป็นวิชาการลกซึ่งครอบคลุมได้ดีก็คือว่าหน้าที่ของสตินี่มีหนึ่งก็คือการดึงอารมณ์มาสู จ, จิต